วันนี้เป็นวันเสาร์ที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรงสอนให้ชาวพุทธทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์โดยให้กระทำภารกิจสี่ภารกิจด้วยกันคือขั้นที่หนึ่งให้ศึกษาพระธรรมคำสัง่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำเอาไปปฏิบัติ ที่เป็นข้อที่สองศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนเพื่อจะได้เกิดข้อที่สามคือได้เกิดบรรลุผลจากการปฏิบัติหลังจากที่ได้บรรลุผลแล้วก็จะได้นำเอาไปเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นต่อไป นี่คืองานที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับพุทธศาสนิกชนผู้ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นำมาไปปฏิบัติกันข้อที่หนึ่งให้ศึกษาวิธีการดับทุกข์ว่าดับอย่างไรหลังจากที่ได้ศึกษา รู้วิธีดับทุกข์แล้วว่าดับอย่างไรก็ให้นําเอาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลขึ้นมาเพื่อให้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจนั้นหมดสิ้นไปเมื่อไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่แล้วเมื่อรู้วิธีการดับทุกข์แล้วว่าดับอย่างไรก็นำเอาวิธีดับทุกนี้ไปสอนให้แก่ผู้อื่น ที่ยังไม่รู้วิธีดับทุกข์เพื่อที่จะได้เอาไปปฏิบัติเพื่อดับทุกข์กันต่อไปการกระทำวิธีสี่ขั้นนี้เป็นการทำคุณประโยชน์ให้กับตนเองคือดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไป แล้วก็ไปทำคุณประโยชน์ให้กับผู้ที่ยังมีความทุกข์อยู่ให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่อไปเป็นการที่จะรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ในโลกนี้ไปนานๆพระพุทธศาสนาของพวกเรานี้จะอยู่ในโลกนี้ได้นานหรือไม่นานก็อยู่ที่ชาวพุทธเหล่านี้จะทำหน้าที่ ที่พระพุทธเจ้าส่งมอบไว้ให้ได้หรือไม่เท่านั้นเองถ้ายังมีการศึกษาพระธรรมคำสอนมีการปฏิบัติพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องที่เรียกว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบผลต่างๆคือการดับความทุกข์ในระดับต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมา ที่แสดงไว้ก็มีอยู่สี่ระดับด้วยกันที่เรียกว่ามรรคสี 4, ผลสีนิพพานหนึ่ง น, นี่คือการดับทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบแล้วหลังจากที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสมบูรณ์แล้วก็จะได้นำเอาไปเผยแผ่สั่งสอน ให้กับผู้ที่ยังไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ให้ได้หลุดพ้นกันต่อไปก็จะมีพร ะ, พระาศาสนาอยู่กับโลกนี้ไปเรื่อยๆเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังตกอยู่ในกองทุกข์อยู่ที่ยังต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆจะต้องยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ แต่ถ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคำสอนการหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาเผยแผ่คำสั่งคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า สัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงก็จะไม่มีความสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยตนเองเลย<ม>ต้องรอให้มีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาเกิดในโลกนี้แล้วก็มาศึกษามาปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุหลุดพ้น จากความทุกข์ทั้งปวง mm hmm. แต่สรู้เป็นพระอรหันต์ต ม, มาสัมพุทธเจ้า mm hmm. เพรท่านได้หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการศึกษา mm hmm. ด้วยการปฏิบัติของตนเองแล้ว mm hmm. เพราะว่าไม่มีใครที่จะรู้วิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้พระองค์ก็เลยต้องศึกษาปฏิบัติด้วยตนเอง mm hmm. จึงเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมามผู้ใดก็ตามถ้าสามารถศึกษาวิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยตนเอง<ม>โดยที่ไม่มีครูไม่มีอาจารย์ไม่มีใครสอนใครบอก<ม>คนคนนั้นก็จะถือว่าเป็นพระพุทธเจ้า<ม>คือตัดสรูการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยตนเอง แต่คนที่จะสามารถที่จะมาตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าได้นี้เป็นคนที่หายากหาได้ยากอย่างยิ่งเพราะจะต้องเป็นผู้ที่มีบารมีอันยิ่งใหญ่สิบสิบบารมีด้วยกันถึงจะสามารถที่จะตัดสรุปเป็นพระอรหัน์ตัตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ถ้ายัางไม่มีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงก็จะไม่รู้วิธีการดับความทุกข์ได้ด้วยตนเอง mm hmm. ก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้แล้วมันประกาศพระธรรมคำสอนให้กับสัตว์โลกอย่างพวกเรา ที่ยังตกอยู่ในกองทุกข์อยู่ที่ยังทุกกับเรื่องราวต่างๆอยู่เช่นทุกกับเรื่องความแก่ทุกกับเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกกับเรื่องของความตายเรื่องของการพลาดพาดจากกนอยู่ความทุกข์เหล่านี้เราไม่รู้จักวิธีที่จะทำให้ใจของเราไม่ทุกกับมันได้แต่พอมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ องทรงรู้วิธีของการดับความทุกข์นั้นเกิดจากการไม่รู้ว่าเหตุของความทุกข์เกิดจากอะไรนั่นเองพอได้ศึกษาได้ค้นคว้าจนในที่สุดก็ทรงค้นพบเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วก็ทรงค้นพบวิธีที่จะทําให้เหตุที่ทําให้ความทุกข์ใจเกิดขึ้นนี้ หายหมดไปพอเห็นที่เคยสร้างความทุกข์ให้กับใจหมดไปใจก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปจะไม่ทุกข์กับความแก่จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ทุกข์กับความตายจะไม่ทุกข์กับการพัดพากจากกันเพราะเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าสิ่งที่แก่ที่เจ็บที่ตายนั้นปเป็นเพียง ปรากฏการทางธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นด้วยการรวมตัวของธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองคือร่างกายร่างกายนี้ถ้าจะเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าเมฆมันมาจากอะไรนะเมฆมันก็มาจากน้ำที่ระเหยขึ้นไป ขึ้นไปเป็นละองแล้วก็ขึ้นไปรวมตัวกันรวมตัวกันเป็นเมฆแล้วเมื่อการเมฆมีมีกําลังมีมีน้ําหนักมากขึ้นมีการรวมตัวมากขึ้นเมฆนั้นก็จะตกลงมากลายเป็นน้ําฝนจากน้ํำก็ขึ้นไปเป็นเมฆจากเมฆ ก, ก็กลับคืนมาสู่กลายน้ํากลายเป็นน้ําใหม่ ร่างกายของพวกเราทุกคนก็เป็นเหมือนก้อนเมฆนี่ เ, เป็นการเกิดขึ้นจากธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุนมธาตุไฟที่มารวมตัวกันมาผสมปรุงแต่งให้กลายเป็นอาการสามสิบสองเช่นผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้น<ม>อวัยวะต่างๆ นี่คือส่วนประกอบของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟส่วนที่เกิดขึ้นจากการรวมผสมปรุงแต่งของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟทำให้เป็นส่วนประกอบของร่างกายขึ้นมาคืออาการสาสสองแล้วก็จะอยู่รวมกันไปได้ระยะหนึ่งพอมีอายุมากขึ้นก็เกิดความแก่เกิดความเสื่อมเกิดขึ้นเกิดความ ที่จะต้องแยกออกจากกันของธาตุทั้งสี่พอธาตุทั้งสี่เริ่มมีการแยกตัวออกจากกันร่างกายก็ค่อยๆค่อยๆบุบสลายแยกตัวกันออกไปออกไปด้วยธาตุลมก่อนพอลมไม่เข้าไม่มีลมหายใจลมที่อยู่เหนือที่เหลืออยู่ในร่างกายก็ค่อยๆค่อยๆละเหยอ อ, ออกมา ตามด้วยไยคือความร้อนในร่างกายก็จะออกไปตามด้วยธาตุน้ำคือน้ำต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายก็จะละ ก, ก็จะไหลออกมาแล้วในที่สุดก็จะเหลือแต่ธาตุดินคือส่วนที่เป็นส่วนแข็งเช่นกระดูกและเนื้อหนังมังสาที่แห้งกรอบหรืออวัยวะต่างๆที่แห้งกรอบทิ้งไปนานๆก็จะผุ ทางกลายเป็นดินไปนี่คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พวกเราที่ยังไม่มีปัญญาไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเรา mm hmm. คิดว่าร่างกายนี้เป็นเราคิดว่าร่างกายเป็นของเรา mm hmm. แต่ความจริงมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหมือนกับก้อนเมฆ ก, mm hmm. ก้อนเมฆที่เราอยู่บนท้องฟ้าเนี่ย เรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นเรา ม, มันไม่ได้เป็นของเราเราจึงไม่ค่อยทุกข์กับก้อนเมฆเท่าไหร่ก้อนเมฆจะมีสีขาวสีดําก้อนเมฆจะละลายกลายเป็นน้ําตกลงมาเป็นน้ําฝนเราก็ไม่ไปทุกข์กับก้อนเมฆเท่าไหร่เพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นก้อนเมฆฉ <M> ันใดร่างกายของเราก็เป็นธาตุก้อนของธาตุสี มารวมตัวกันท่านั้นเองธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ<ม>ที่เราคอยเอาเข้ามาเติมอยู่ในเรื่อยๆในร่างกายของเรา<ม>ทุกวันทุกเวลาเนี่ยเรามีการเติมธาตุสี่อยู่เรื่อยๆเ<ม>ช่นธาตุธาตุลมก็คือลมหายใจที่เราหายใจเข้าออก<ม><ม>เราก็เอาธาตุลมเข้ามา เวลาที่เราหิวน้ำเราก็เอาธาตุน้ำเข้าไป <S <S เวลาที่เราหิวอาหารเราก็เอาธาตุดินเข้าไป <S <S ข้าวมาจากไหนถ้าไม่ได้มาจากดิน <S <S เราปลูกข้าวที่ไหนเราก็ปลูกข้าวบนพื้นดินผักมาจากไหนผักก็มาจากมาจากดินปลูกปลูกผักก็ต้องปลูกในดินด้วยกันต้องมีน้ามีอากาศ <S <S มี มีความร้อนพอสมควรที่จะทําให้ต้นข้าวเจริญเติบโตขึ้นมาให้ต้นผักเจริญเติบโตขึ้นมาได้จากดินมันเมื่อผสมกับน้ํากับลมกับไฟมันก็เลยกลายเป็นมเมล็ดข้าวขึ้นมาอะไรแล้วหลังจากนั้นมเมล็ดข้าวนี้เราก็เอามาต้มให้มันให้มันนิ่มเพื่อเราจะได้เอาเข้าไปในร่างกายได้วเวลาเอาธาตุดินเข้าไปในร่างกายอาหารต่างๆที่เรากินนี้ มีส่วนประกอบของธาตุดินเป็นส่วนใหญ่เช่นผักชั้นเนื้อก็ดีข้าวก็ดีเนื้อก็มาจากธาตุดินอีกแหละเนื้อสัตว์สัตว์ก็เป็นสัตว์ที่มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประกอบกันขึ้นมามันเป็นการเอาธาตุดินเข้าธาตุน้ำเข้าธาตุลมเข้าธาตุไฟเข้าไปแล้วในขณะเดียวกันก็มีการขับถ่ายธาต เก่าท่าที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายออกจากร่างกายไปแล้วก็มีการขับถ่ายของอของปฏิกูลต่างๆออกจากร่างกายไปมีการนาวเข้ามีการเอาออกของธาตุสีเท่าทนั้นเองอเหมือนกับการมารวมตัวของก้อนเมฆแล้วพอก้อนเมฆมีน้ําหนักมากไม่สามารถลอยอยู่ในอากาศได้ ก็ตกลงมากลายเป็นน้ํากลายเป็นน้ําฝนน้ําฝนก็ละลายตกลงไปในดินบ้างลงไปในแม่น้ําลาคลองตกลงไปในทะเลบ้างแล้ว เ, เดี๋ยวก็ถูกความร้อนของแสงอาทิตินี้ทําให้น้ําที่เป็นน้นํานี้ละเลยละเหยกลายเป็นอกลายเป็นไอขึ้นมาไอน้ําขึ้นมาลอยอยู่แล้วก็ไปจับตัวกันเป็นก้อนเมฆ นี่แหะคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นล้วนเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทั้งนั้นไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาไม่มีใครเป็นผู้ไปทําลายมั น, นมันเป็นเรื่องของเรื่องของธรรมชาติที่มีการรวมตัวกันมีการเกิดแล้วต่อไปไม่นานมันก็มีการ มันก็มีการดับมีการแยกตัวออกจากกันเป็นปรากฏการธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติแต่ใจของพวกเราที่เป็นธาตุรู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้ไม่มีปัญญาไม่มีความรู้อันนี้พอเราได้ครอบครองร่างกายนี้เราก็ไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกาย แล้วเราก็ไปยุดติดกับร่างกายว่ามันเป็นตัวเราของเราแล้วเราก็จะไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายเพราะเราอยากจะให้อยากจะใช้ร่างกายไปหาความสุขให้กับเรานั่นเองเราเป็นคนเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดติดกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยากจะดูอยากจะฟัง อยากจะเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผธทพะอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะเวลาที่เราไม่ได้เสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรแล้วเราจะรู้สึกเศ้าส้อยงอยเหงาว้าเว่งหงุดหงิดลาคาญใจต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสผธทพะมาให้เราคอยเสบคอยสัมผัสอยู่เรื่อยๆและการที่เราจะเสบสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะได้เราก็จาเป็นที่จะต้องมีตาหูจมูกลิ้กาย ใจนี้เป็นธาตุรู้ไม่มีไม่ได้เป็นร่างกายแต่เป็นผู้ที่อยากจะหาความสุขจากการเสกรูปเสียงกลิ่นรดโผฏฐะก็จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือที่จะเสกรูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐะเครื่องมือที่จะเสกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองและสิ่งที่มีตาหูจมูกลิ้นกายก็คือร่า่งกายของามกนุาย์องและร่าหกลกายของสัตว์เ่รตาหจลนานั่นเอง ใจที่ต้องการจะเสบรูปเสียงกิน่นรสก็ต้องไป<ม>ไปครอบครองร่างกายของมนุษย์หรือร่างกายของสัตว์เดรัจฉานเพื่อที่จะได้ใช้ตาหูจมูกนิ้นกายของของร่างกายของมนุษย์หรือร่างกายของสัตว์เดรัจฉานนี้มาเป็นเครื่องมือไว้เสบรูปเสียงกิ่นรสต่างๆเมื่อมีร่างกายแล้วก็จะลักจะห่วง เขารู้ว่าถ้าไม่มีร่างกายก็จะไม่มีความสามารถที่จะเสจรูปเสียงกลิ่นลดได้ต่างๆแล้วก็รู้ว่าเวลาที่ไม่ได้เส็จรูปเสียงกลิ่นลดนี้จะมีความรู้สึกทุกข์อย่างมากยิ่งไม่มีความอยากที่จะให้ร่างกายนี้เป็นอะไรไปเพราะว่าเวลาที่ร่างกายแก่อนนี้มันก็จะทาให การเสบรูปเสียงกดลิ่นถเป็นไปได้ยากลำบากมากขึ้นหรือเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยนีแทบจะไม่สามารถเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลภัต่างๆได้เลยหรือเวลาจะตายมันก็จะรู้ว่าเครื่องมืออันสำคัญคือร่างกายนี้จะต้องมีวันจะจะสิ้นสุดลงก็เลยสร้างความทุกข์ให้กับใจ ผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้เท่านั้นเองความจริงแล้วผู้ที่แก่ผู้ที่เจ็บผู้ที่ตายก็คือร่างกายที่ไม่มีความรู้สึกอะไรร่างกายนี้ไม่มีความรู้ความความรู้สึกเกี่ยวกับตัวของมันเองมันไม่รู้ว่ามันแก่มันไม่รู้ว่ามันเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่รู้ว่ามันตายมันไม่เดือดร้อนเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตาย ทั้งๆที่ร่างกายเป็นผู้แก่ผู้เจ็บผู้ตายแต่ร่างกายกับไม่เดือดร้อนเป็นเหมือนต้นไม้เนี่ยร่างกายก็เป็นต้นไม้ดีๆนี่เองต้นไม้นี่ก็มีธาตุสี่มาผสมรวมตัวกัน ต, ต้นไม้จะเติบโตขึ้นมาได้ต้องมีดินแล้วก็ต้องมีน้ําแล้วก็ต้องมีไฟความร้อนแล้วก็ต้องมีมีลมคืออากาศ เมื่อมีดินน้ำลมไฟก็ทําให้เกิดต้นไม้ขึ้นมาต้นไม้เวลามันโตขึ้นเวลาใครไปตัดกิ่งไม้ไปตัดต้นไม้ต้นไม้มันไม่รู้รู้มันไม่รู้ตัวของมันเองมันไม่มีความรู้ในตัวของมันเองมันไม่เดือดร้อนใครจะตัดกิ่งไม้ตัดต้นไม้ใครจะขุดรากถอนโคนต้นไม้ต้นไม้มันไม่มีความรู้สึกรับรู้อะไร ร่างกายก็เป็นเหมือนต้นไม้ดีๆนี้เองหมือนก็ต่างกันตรงที่ว่ามันมีใจผู้เป็นธาตุรู้นี้มาครอบครองแล้วมารับรู้เวลาที่ร่างกายเป็นอะไรเวลาร่างกายปวดฟันขึ้นมานี้ผู้ที่รู้คือใจผู้ที่ปวดคือร่างกายแต่ร่างกายเขาไม่รู้ความปวดเขาเลยไม่เดือดร้อน ผู้ที่ไปเดือดร้อนแทนร่างกายก็คือใจพูดไปรู้ว่าร่างกายมีอาการปวดฟันขึ้นมาท่านนองนี่คือปัญหาปัญหาอยู่ที่ใจใจที่มีความหลงที่ไม่รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นใจใจไม่ได้เป็นร่างกายใจถูกความหลงหลอกให้คิดว่าร่างกายนี้เป็นใจ ใจเป็นร่างกายร่างกายเป็นอะไรใจก็เดือดร้อนไปกับการเป็นไปของร่างกายเท่านั้นเองแต่พอมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสรลุมาค้นพบความจริงว่าร่างกายนี้มันก็เป็นเหมือนต้นไม้นี่เองหรือเป็นเหมือนก้อนเมฆที่มีมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดและมีการดับไปเป็นธรรมดาใจไม่ได เป็นอะไรไปกับร่างกายแต่ที่ใจทุกข์ก็เพราะว่าใจอยากให้ร่างกายอยู่เป็นอนานเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพเท่านั้นเองดังนั้นวิธีที่จะทำให้ใจไม่ทุกข์กับร่างกายได้ก็คือใจต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุข อย่าไปหาความสุขจากร่างกายอย่าไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากรูปเสียงกดลิ่นรสผดพธาชนิดต่างๆเพราะว่าถ้ายังต้องการหาความสุขจากรูปเสียงกดลิ่นรสผดสะพ้าอยู่<ม>ก็ยังเป็นจะต้องมีร่างกายแล้วก็ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงที่สมบูรณ์<ม>ที่มีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวนาน มีกำลังวังชาที่จะพาใจไปเสบรูปเสียงกดลิ่นรสผลัพพะชนิดต่างๆได้แต่ความสุขที่ได้จากการเสบรูปเสียงกดลดิ่นรสนี้มันก็เป็นความสุขที่ไม่ให้ความอิ่มไม่ให้ความพอเสดได้มากน้อยเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็จางหายไปหมดเหมือนควันไฟความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกดลดิ่นรสเช่นเวลาไปเที่ยว เช่นตอนนี้มีวันหยุดสามวันบางคนก็ไปเที่ยวไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆบางทีก็เที่ยวในประเทศบางทีก็ไปเที่ยวต่างประเทศพอพอกลับมาจากการไปเที่ยวความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็จางหายไปหมดปล่อยให้ใจมีความรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเหมือนเดิมเหมือนตอนก่อนที่จะไปเที่ยว ตอนก่อนที่จะไปเที่ยวใจก็มีความรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายรู้สึกขาดขาดความสุขจึงต้องไปเที่ยวกันไปหาความสุขจากการไปเที่ยวกันพอขณะที่ไปเที่ยวก็ได้มีความสุขกันแต่พอหลังจากกลับมาจากการไปเทีย่ยวความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็ค่อยๆจางหายไปเพียงไม่กี่วันความรู้สึกของความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปหม ทำให้เกิดความอยากที่จะไปเที่ยวใหม่พอเนี่ยวันหยุดสามวันนี้หมดไปก็มองไปที่วันหยุดข้างหน้าต่อไปวันหยุดข้างหน้ามีวันหยุดอีกกี่วันก็วางแผนกันไว้แล้วว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีต่อไปอเที่ยวเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พ อ, อเที่ยวปีนี้แล้วเดี๋ยวปีหน้าก็กลับมาเที่ยวแบบนี้ทีนี้สิ่งที่จะเป็นปัญหาก็คือเครื่องมือคือร่างกาย ที่เราใช้ในการที่จะไปเที่ยวกันไปหาความสุขกันร่างกายมันก็จะค่อยแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วความสามารถที่มันจะพาเราไปเที่ยวไหนมันก็จะค่อยหมดก็หมดความสามารถไปพอร่างกายเกิดความแก่ขึ้นมาหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาการที่จะใช้ร่างกายพาไปหาความสุขมันก็จะเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยาก ตอนนั้นใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเกิดความซึมเศร้าขึ้นมาได้คนที่เกิดมีอาการซึมเศร้าก็เพราะว่าไม่สามารถไปหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ดนั่นเองอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่ได้อยากจะดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่ได้อยากจะฟังอะไรก็ไม่ได้พอเกิดความผิดหวังมากๆเกิดก็เกิดอาการเศร้ามากๆ จนกลายเป็นอาการซึมเศร้าขึ้นมาเรมีอาการซึมเศร้าก็ก็เกิดอยากจะให้อาการซึมเศร้านั้นหายยิ่งอยากจะให้มันหายมันก็ยิ่งเกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาใหญ่เพราะว่าวิธีที่ทำให้อาการซึมเศร้าหายไปได้ น, นั้นก็ต้องเกิดจากการที่เราต้องไม่ไรอยากหาความสุขจากรูปเสียงกิ่นรสต่างๆนั่นเอง พะเวลาที่เราไม่สามารถหาได้มันก็จะทำให้เราเศร้าขึ้นมนาะ mm hmm. แต่ไม่แทนที่จะรู้วิธีแก้ปัญหาเหล่านี้กลับไปสร้างปัญหาให้มากขึ้น mm hmm. พอเกิดความซึมเศร้าจากการที่ไม่ได้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรส mm hmm. ก็อยากจะให้ความซึมเศร้านั้นหายไปแล้วการที่อยากจะให้าอาการซึมเศร้าหายไปโดยการอยากเฉยๆการอาการซึมเศร้ามันก็จะไม่หาย mm hmm. เพราะว่าต้นเหตุของอาการซึมเศร้ามันเกิดจากการที่อยากจะไปหาความสุขจากการเสพลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่ทายที่สุดก็ตัดสินใจฆ่าตัวเองตายไปเพราะอยู่ไปก็ยิ่งเศร้าหาทางออกไม่เจอไม่รู้จักวิธีกําจัดทางซึมเศร้าได้อย่างไรแต่สําหรับผู้ที่ได้มาศึกษาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อย <S S S S ๆ, ๆก็จะได้รู้ว่านี่แหละ อาการซึมเศร้าก็เป็นอาการความทุกข์อย่างที่เกิดจากการผิดา ก, การผิดหวังความความอยากที่อยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพ อ, อไม่สามารถหาได้ก็เกิดความเศร้าขึ้นมามวิธีที่จะทําให้ความเศร้าหายไปก็คือการมาหยุดความอยากกันอย่าไปอย่าไปหาความสุขอย่าไปอยากหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสกัน ให้มาเปลี่ยนวิธีหาความสุขที่เราสามารถที่จะหาได้ตลอดเวลาและไม่ต้องไม่ต้องพึ่งพาไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือความสุขที่พูะเจ้าได้ทรงคนพบอีกรูปแบบหนึ่งนี้ท่านเรียกว่าความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบการจะทำใจให้สงบก็ต้องเกิดจากการฝึกสมาธินี่เองถ้าเรามีการฝึกสมาธิ ฝึกสติเราต้องฝึกสติก่อนก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิเพราะว่าสมาธิคือความนิ่งของใจนี้จะนิ่งได้ก็ต่อเมื่อมีเครื่องคอยควบคุมคอยหยุดความคิดใจของพวกเรานี้คิดตลอดเวลาคิดตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็เริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็จะคิดไปทางการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสทั้ง ตลอดเวลาแล้วก็ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพาไปหาความสุขเหล่านั้นแต่แต่ความสุขเหล่านั้นก็เป็นความสุขที่ไม่อิ่นไม่พอต้องหาอยู่เรื่อยๆเครื่องมือที่จะใช้คือร่างกายก็เป็นนะก็เป็นของที่ไม่แน่นอนของที่จะต้องเสื่อมลงไปตามการตามเวลา<ม>ก็เลย จะต้องไปเจอความทุกข์เข้าวันใดวันหนึ่ง<ม>เวลาที่ไม่สามารถตอบสนองความอยากของใจได้<ม>อันนี้เราต้องคอยควบคุมความคิดอันนี้ให้ได้หยุดความคิดอย่าปล่อยให้คิดไปในทางหาความสุขจากรูปเสียงกลิ<ม>่นรสวิธีที่จะหยุดความคิดเหล่านี้ต้องใช้อุบายของสติสติคือการระลึกรู้ให้ระลึกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เือผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเอง mm hmm. ให้เราผูกใจไว้กับอารมณ์อารมณ์ที่เราใช้ผูกใจนี้เราเรียกว่ากรรมฐาน mm hmm. กรรมฐานนี้มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน mm hmm. แต่ที่สาหรับผู้ปฏิบัติเริ่มต้นใหม่ๆนี้ mm hmm. ก็ใช้อยู่สองสามชนิดด้วยกันสลับกันไปแล้วแต่ความเหมาะสมหรือแล้วแต่ความถนัด ส่วนใหญ่ก็จะใช้การระลึกถึงพระพุทธเจา้าระลึกรู้อยู่กับพระพุทธเจ้าการระลึกรู้ก็คือสติพระพุทธเจ้าก็คื อ, ช, อ, อ, อ, uh อชื่อของพระพุทธเจ้าหรือพระคุณของพระพุทธเจ้าถ้าเราลึกถึงพระชื่อของพระพุทธเจ้าเราก็ระลึกถึงคําว่าพุทโธถ้าเราคอยคิดอยู่กับคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ ใจเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ <_ łos> ถ้าเรามีพุโทโธพุโทโธถ้าใจเราคิดอยู่กับพุโทโธมันจะไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้เพราะความคิดนี้มันคิดได้ได้อย่างเรื่องเดียวในขณะหนึ่งนี้มันคิดได้เรื่องเดียว <_ łos> ถ้าเราอยู่กับพุโทโธใจก็จะไปคิดหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสทศทพาไม่ได้ <_ łos> อันนี้เราเรียกว่าพุทธานุสติเป็นกรมกรมฐานอย่างหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของอนุสติสิบอนุสติสิบก็คือให้เราเลิกถึงอะไรบ้างสิบชนิดด้วยกันเมื่อเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าก็เรียกพุทธานุสติเราเลิกถึงพระธรรมคําสอนก็เรียกว่าธรรมานุสติเราเลิกถึงพระอาริยสงสาวกก็เรียกว่าสังขานุสติเราเลิกถึงความตายก็เรียกว่ามณอ น, นุสติ เราลึกถึงลมหายใจเข้าออ ก, ก็เรียกว่าอาณาปณะสติเราเลึกถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เรียกว่ากายกตาสตินี่คืออารมณ์ต่างๆที่เราสามารถใช้มาเป็นที่ผูกใจไว้ไม่ให้ใจไหลไปคิดถึงเรื่องลูกเสียงกลิ่นรถต่างๆได้ถ้าอยากจะหยุดความคิดถึงลูกเสียงกลิ่นรถเราก็ต้องมีอย่างอื่นมาทดแทน เราต้องมีกรรมฐานมาทดแทนกรรมฐานนี้ก็สําหรับผู้ที่เริ่มต้นนี้ควรจะเอาชนิดที่ง่ายๆก่อนง่ายที่สุดก็คือเราเลิกถึงพุทโธพุทโธไป mm hmm. เวลาที่เรามีการเคลื่อนไหวมีการกระทําอะไรต่างๆนี้ mm hmm. ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยถ้าเราอยากจะฝึกสติให้ได้ผลดีให้สามารถควบคุมควบควบุม ค, ค, ควา ม, ค, วามคิดได้เราต้องควบ คมตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยเอลืมตาขึ้นมาปั๊บก่อนที่ใจจะไปคิดหารูปเสียงกิจลด์เราก็ใช้พุทโธพุทโธหึงเอาไว้พุทโธพุทโธแล้วเราก็ไปทําหน้าที่ของเราตื่นขึ้นมาเราก็ต้องเข้าห้องน้ําอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารช่วงเวลาที่เราทํากิจกรรมเหล่านี้เราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ความคิดเลย ก็ให้คิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไป mm. หรือถ้าเราอยากจะใช้ร่างกายเป็นที่ผูกใจไม่ให้ไปคิดก็ได้เราต้องคอยเฝ้าดูทุกอิเลียบทของการเคลื่อนไหวของร่างกาย mm. ให้รู้ว่าตอนนี้ร่างกายเรากำลังอยู่ในอิรยาบทใดากาลังทำอะไรเ mm. ช่นเวลาเราตื่นขึ้นมาปั๊บเราก็มองไปที่ร่างกายเลยว่าตอนนี้ร่างกายเราอยู่ในท่าไหน mm. ยังอยู่ในท่านอนอยู่ แล้วพอเรารู้เราคิดว่าเราจะต้องลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ําเราก็ดูจากการเปลี่ยนท่าจากท่านอนขึ้นมาเป็นท่านั่งจากท่านั่งก็ลุกขึ้นมาเป็นท่ายืนจากท่ายืนก็เป็นท่าเดินให้เฝ้าดูทุกิริยาบุตรของการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างนี้เรียกว่ากายกตาสติ ah ให้มีสติระลึกรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ ถ้าเราคอยเฝ้าดูทุกกิริยาบุของการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ว่าร่างกายจะทําอะไรก็เฝ้าดูมันไปทุกอาการของการกระทําอย่างนี้ใจของเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้อันนี้เราก็ทําได้ในช่วงที่เรายังไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับใครยังไม่ต้องไปทํางานอย่างอื่นทํางานที่เกี่ยวกับตัวเราเองเกี่ยวกับการ เตรียมตัวของเราไปทํางานในตอนเช้าตอนนั้นเราก็จะฝึกสติได้อาบน้ำํำเราก็อยู่กับดูร่างกายมันอาบน้ําไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็ดูร่างกายแต่งเนื้อแต่งตัวไปไม่ใช่อาบน้ําไปก็คิดถึงว่าเดี๋ยววันนี้จะไปทำอะไรวันนี้จะไปทําอะไรจะไปพบคนนั้นไปพบคนนี้ห้ามคิดเรื่องราวเหล่านี้ถ้าคิดก็สแสดงว่าไม่ได้อยู่กับร่างกายแล้ว ให้อยู่กับร่างกายตลอดเวลาพอจะไปคิดอะไรก็บอกว่าเอานี้เราเผลอสติแล้วนะเราไม่มีสติแล้วเราต้องดึงสติกลับมากลับมาอยู่ที่ร่างกายถ้าเราใช้ร่างกายถ้าเราใช้พุทโธก็ดึงกลับมาให้หาพุทโธถ้าเราพุทโธแล้วอยู่ๆดีๆพุทโธหายไปไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องคนนั้นคนนี้แสดงว่าเราไม่มีสติแล้วเราขาดสติแล้ว ใจเริ่มไปคิดทางรูปเสียงกลิ่นลดแล้วเดี๋ยวก็จะเกิดความอยากขึ้นมาพอจะเกิดความอยากแล้วทีนี้ก็จะเกิดความรู้สึกขิวโหยขึ้นมาอยู่เฉยเฉยไม่ได้แล้วจะต้องไปทําตามความอยากต่อไปแต่ถ้าเรามีกรรมฐานมีพุทโธก็ดีมีร่างกายมีกายกตาสติคือการเข้าดูร่างกายอยู่ต่างต่อเ น, นื่องความคิดต่างๆก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หรือถ้าเกิดขึ้นได้เราก็ดึงใจกลับมาที่ร่างกายทันที พอรู้ว่าเราเผอลอแล้วเราเริ่มไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็บอกว่าเราเผอลอแล้วเราต้องกลับมาที่ร่างกายหรือกลับมาที่พุทโธถ้าทำอย่างนี้ได้<ม>พอเวลาที่เราจะมานั่งสมาธินี่ยใจเราก็จะไม่ฟมุ้งซ่านนั่งสมาธิเราก็ถ้าเราใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธเราก็ใช้พุทโธต่อไปได้เราก็นั่งหลับตาแล้วก็ ทำไมเราจะต้องมานั่งเพราะว่าถ้าใจถ้าเราไม่นั่งมันจะไม่สงบเต็มที่มันสงบได้เพียงครึ่งเดียวเวลาที่เราเคลื่อนไหวทำอะไรต่างๆนี้ใจยังต้องทำงานอยู่ใจเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายเคลื่อนไหว mm hmm. แต่ถ้าเราอยากจะให้ใจนิม้มหยุดการทำงานแบบเต็มร้อย mm hmm. ไม่ให้คิดอะไรให้นิ่งเฉยๆให้เป็นสมาธินี้จาเป็นจะต้องทาอยู่ในท่านั่งท่าเดียว ท่านั่งหรือท่ายืนก็ได้แต่ท่ายืนมันก็จะยืนได้ไม่นานแล้วมันก็จะเมื่อยส่วนใหญ่เราก็จะใช้ท่านั่งเป็นท่าทำสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบด้วยการใช้สติที่เราได้ที่เราได้ฝึกฝนมาตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาพอเราตื่นขึ้ น, นมาเราก็ใช้สติอย่างใดอย่างหนึ่งใช้พุทธานุสติก็พุทโทพุทโธไป ใช้กายยาคตาสติก็ดูเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปเรื่อยๆพ ย, ยายามฝึกสติอย่างนี้แล้วเวลามานั่งใจจะไม่ได้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะเราได้คอยควบคุมมันก่อนที่เราจะมานั่งนั่นเองถ้าเราจะมานั่งสมาธิโดยที่เราไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนไม่ได้ตั้งสติไว้ก่อนไม่ได้ฝึกสติไว้ก่อนพอมานั่งได้ปป๊บเดียวใจก็ฟุ้งขึ้นมาแล้วแทนที่อยู่กับพุโทโธก็ไม่อยู่ หรือบางคนจะดูลมหายใจเข้าออกก็ไม่ได้อยู่กับลมหายใจเข้าออกจะไปอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้เพราะมันทามาก่อนที่จะมานั่งนั่นเองอถ้าเราฝึกสติเราจะห้ามความคิดต่างๆไว้ร่วงหน้าก่อนพอเวลาเรามานั่งแล้วความคิดต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นได้ยากแต่ก็ยังเกิดขึ้นอยู่เพราะว่าสติของเรานี้มันยังไม่ได้มีกาลังเต็มร้อยนั่นเองนะ แต่อย่างน้อยมันก็จะช่วยทำให้เวลานั่งสมาธินี้โอกาสที่ใจจะฟุ้งซ่านจนทนนั่งต่อไปไม่ได้นี้มันจะน้อยลงไปแล้วถ้าเรามีความขยันมีความตั้งใจที่จะฝึกสติต่อไปเวลาเรานั่งหลับตาถ้าเราใช้คำบริกรรมพุทโธล้วก็พุทโธไปไม่ต้องใช้การดูลมหายใจควบคู่กันไปพุทโธคาเดียวจะสบายกว่าจะสะดวกกว่า <Yeah. S 1> นั่งหลับตาแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อย หรือว่าถ้าเราใช้การเข้าดูร่างกายในการเจริญสติเราดูร่างกายตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาที่เรามานั่งสมาธิพอร่างกายนั่งอยู่เฉยๆเราก็ต้องเปลี่ยนมาดูลมหายใจแทนพอตอนนี้ร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหวแล้วก็ไม่รู้จะดูอะไรดีรก็ให้ดูลมหายใจแทนให้ดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกหรือที่เหนือบริเวณฝีปากขึ้นมา เป็นจุดที่ลมเข้าลมออ ก, ออกที่สัมผัสกับร่างกายตอนเข้าตอนออกออก็ให้เฝ้าดูอยู่จุดนั้นจุดเดียวไม่ต้องเคลื่อนไม่ต้องเคลื่อนการดูไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออ ก, ออกให้ดูตรงจุดที่ลมสัมผัสเข้าออกตรงทางประตูเข้าออกคือปลายจมูกหรือเหนือบริเวณริมฝีปากขึ้นมาให้เฝ้าดูตรงจุดนั้นอย่างเดียวให้รู้ว่าลมกาลังเข้าหรือกาลังออก แล้วก็ถ้าลมหยาบก็รู้ว่าหยาบถ้าลมเริ่มละเอียด ข, pane, ขึ้นก็รู้ว่าลมเริ่มละเอียดขึน้นแต่ไม่ต้องไปบังคับลมไม่ต้องควบไม่ต้องไปสั่งให้หายใจลึกๆหายใจ ย, ยาวๆอะไรต่างๆนี้ไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปควบคุมลมเราไม่ต้องเราไม่ต้องการมาควบคุมลมแต่อย่างใดเราต้องการควบคุมใจโดยอาศัยลมเป็นที่ควบคุมใจเป็นที่ผูกใจไว้ไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเท่านั้นเอง แล้เราไม่ต้องไปควบคุมบัคมงคับลมลมจะหยาบก็ปล่อยมันหยาบไปลมมันจะละเอียดก็ปล่อยมันละเอียดไปมันจะยาวก็ปล่อยมันยาวไปมันจะสั้นก็ปล่อยมันสั้นต่อให้รู้ตามความเป็นจริงแม้กระทัง<ม>่งเวลาที่ลมหายไปก็ให้รู้ว่าลมหายไปก็ดูอยู่ที่เดิมเวลาลมหายใจก็ดูอยู่ตรงที่จุดที่เข้าออกต่อไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องมีไม่ต้องแปลความค้นหาลมถ้าไม่มีลมให้ดูก็ดูความว่างไป ดูว่าใจของเราตอนนี้ยังดูเฉยๆยังรู้เฉยๆอยู่หรือเปล่าหรือว่าไปคิดอะไรแล้วถ้าคิดก็ต้องเดินกลับมาไม่ต้องหยุดความคิดให้ได้ถ้าเราทาอย่างนี้ได้เดี๋ยวใจมันก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้อย่าไปคิดพอไปคิดครับใจมันก็จะถอนออกมาที ลมหายไปแล้วไอ้ลมอยู่ตรงไหนทำยังไงดีไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นให้รู้ว่าลมหายก็หายลมอยู่ก็อยู่เราก็รู้อยู่ที่เดิมเข้าดูอยู่ที่เดิมเท่านั้นเองถ้าไม่มีลมก็ดูดูความว่างไปดูว่าตอนนี้ตรงที่จุดที่มีลมเข้าลมออกตอนนี้มันไม่มีแล้วมันมีแต่ความว่างก็ดูความว่างไปเท่านั้นเองถ้าเราดูไปอย่างนี้เดี๋ยวใจมันจะรวมเข้าสู่ความสงบ พอสงบแล้วมันก็จะปล่อยวางทุกอย่างใจก็จะเกิดความรู้สึกเบาสบายขึ้นมาตอนนั้นไม่ต้องใช้อะไรละไม่ต้องทําอะไรละใจมันไม่มันนิ่งและมันเฉยแล้ะมันเกิดความสุขขึ้นมาเกิดความรู้สึกเป็นกลางขึ้นมาคือตอนนั้นอารมณ์ต่างๆที่เคยมีอยู่ในใจนี้มันจะหายไปหมดเลยเหลือแต่ความที่เรียกว่าอุเบกขา อุเบกขาก็คือการไม่มีความรักชังกลัวหลงนั่นเองคืออาการของใจที่สงบจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็พยายามรักษาให้มันอยู่ในความสงบนั้นๆอย่าไปดึงมันออกมาด้วยความคิดอย่าเริ่มคิดว่าเรานั่งได้นานเท่าไหร่แล้วอยากจะออกแล้วอย่าไปคิดอย่างนั้นพอมันจะคิดก็หยุดความคิดนั้นเสียบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องอะไรทั้งสิน้นตอนนี้เราได้ของดีของวิเศษที่หายากอย่างยิ่งคือความสงบที่ ที่ที่ให้ความสุขกับเราที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอยู่ที่ตรงนี้เอง <S <S <erman. S 1> เราต้องการที่จะฝึกให้เราเข้าอยู่ในตรงนี้ให้อยู่ไปนานๆ maan. เพื่อต่อไปเราจะได้ใช้ความสุขอันนี้มาทดแทนการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายพอเรารู้แล้วว่าการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้มันเป็นของไม่แน่นอน เพราะว่ามันต้องอาศัยหลายปัจจัยด้วยกันต้องอาศัยร่างกายที่สมบูรณ์ที่พร้อมที่จะทําหน้าที่ของมันแล้วก็ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสที่เราจะต้องไปหากันที่เราไปเที่ยวกันนี่ก็ไปหารูปเสียงกลิ่นรสกันรูปเสียงกลิ่นรสที่อยู่ใกล้ตัวเราใกล้บ้านเราเราเห็นแล้วมันจําเจเห็นแล้วมันเบื่อน่ายเราก็เลยอยากจะไปหารูปเสียงกลิ่นรสที่แปลกใหม่ๆก็เลยจําเป็นที่จะต้องเดินทางไกลกันะ บางทีก็เดินทางในประเทศเน <Yeah. S 2> ี่ยไปหาสถานที่แปลกๆใหม่ๆ <Yeah. S 2> เพื่อให้ได้เสตได้สัมผัส <Yeah. S 2> แล้วเกิดความสุขความเพลิดเพลินใจไปชั่วข่าวหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องไปต่างประเทศ <Yeah. S 2> แล้วการที่จะเดินทางไปตามที่ต่างๆได้ก็จะต้องมีปัจจัยอย่างอื่นมาสนับสนุนก็คือต้องมีเงินทอง <Yeah. S 2> ถ้าไม่มีเงินทองไปเที่ยวก็ไปเที่ยวไม่ได้ <Yeah. S 2> แล้วก็ต้องมีเวลา yeah. ถ้าลางงานไม่ได้หยุดงานไม่ได้ก็ไปเที่ยวไม่ได้ดังนั้นการหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสทางตาหูจมูกนิ้กายนี้มันยุ่งยากมันมีปัญหาเยอะอแล้วก็เป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวพอไปเที่ยวกลับมาแล้วความสุขนั้นมันก็หายไปใหม่นี้เราก็ต้องมาเก็บเงินกันใหม่หาเงินหาทองกันใหม่ต้องมาทุกกับการทํางานทําการหาเงินหาทองออแล้วก็เก็บเงินไว้ แล้วก็คอยเวลาให้มีวันหยุดมีเวลาว่างแล้วก็มีสถานที่ที่เราอยากจะไป <Yeah. S 1> แล้วบางทีจะไปก็บางทีก็ไปไม่ได้จองตัว๋วแล้วตั๋วก็เต็มที่พักก็เต็มก็ะบะก็มี <Yeah. S 1> ก็เกิดความผิดหวังขึ้นมา <Yeah. S 1> การหาความสุขแบบนี้มันยุ่งยากแล้วไม่แน่นอนแล้วบางทีร่างกายพอถึงเวลาจะไปเที่ยวขึ้นมาก็ไม่ดันไม่สบายขึ้นมาก็ได้บางคนก็ติดไข้หวัดติดโควิดกัน การที่จะได้ไปเที่ยวไปหาความสุขก็เกิดขึ้นไม่ได้เรื่องราวเหล่านี้จะไม่เป็นปัญหาต่อการหาความสุขจากการฝึกสมาธิเลยเพราะการฝึกสมาธินี้เราไม่ต้องใช้ร่างกายเราไม่ต้องใช้เงินทองเราไม่ต้องใช้สถานที่ต่างๆที่จะให้ความสุขกับเราเพียงแต่สิ่งที่เราต้องมีก็คือต้องมีเวลาว่างจากการทำอะไรต่างๆแล้วต้องมีสถานที่ที่มันเงียบที่มันสงบวิเวก คือไม่มีไม่มีสิ่งต่างๆที่จะมายั่วยวนกวนใจไม่มีรูปเสียงกลิ่นลดทุตภะไม่มีคุคลบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้มาคอยกวนใจเราเท่านั้นเองผู้ที่อยากจะบําเพ็ญหาควาสมสงบจากสมาธิจึงมักจะต้องไปอยู่ตามวัดกันเพราะวัดนี้เป็นสถานที่ที่สงบที่ห่างไกลจากสิ่งยั่วยวนกวนใจต่างๆ ต้องมีเพียงแต่สถานที่แล้วก็มีเวลาแต่เงินทองไม่มีก็ไม่เป็นไรมีขอให้มีสติเท่านั้นเองสตินี่จึงมีคุณค่ายิ่งกว่าสตังค์สตังค์นี้ซื้อความสุขแบบสติซื้อไม่ได้ความสุขที่ได้จากการการใช้สติซื้อนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการใช้สตังค์ซื้อสติจึงมีคุณค่ายิ่งกว่าสตังค์คนฉลาดจึงมักจะไม่ไปหาสตางค์กัน จะไปหาสติกันหาเวลาหาเวลาไปที่สงบเพื่อที่จะได้ไปทำใจให้สงบ ก, กันในขณะที่ยังไปไม่ได้ก็พยายามฝึกสติไปพังๆก่อนในขณะที่อยู่บ้านทุกวันทุกเวลาพยายามเจริญสติในระหว่างวันอยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีความจำเป็นจะต้องคิดถึงเรื่องอะไรต่างๆก็อย่าไปคิดดึงใจกลับมาอยู่กับพุโทโธพุโทโธ เนื้อดึงใจมาอยู่กับเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายเพือ่อไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วพอมีเวลาช่วงไหนเวลาว่างแม้แต่ใช้แค่สิบนาทีสิบห้านาทีก็ลองนั่งหลับตาทําใจให้นิ่งให้สงบดูแล้วมันจะช่วยผ่อนคลายความเครียดความทุกข์ร้อนต่างๆที่สะสมมาจากการไปทํางานทําการจากการที่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ที่ทําให้เกิดความหนักอกหนักใจขึ้นมาได้พอเราอยากจะบรนเทาบางทีเราก็ไปหาที่หลบก็ได้ไปเข้าห้องน้ําไปนั่งพุโทโธพุโทโธในห้องน้ำทักพักหนึ่งทําใจให้เย็นลงแล้วค่อยกลับมาทํางานต่อไปก็ได้เลยเชื่อมเวลาทํางานเขาให้หยุดชั่วโมงหนึ่งรับประทานอาหารคอจริงเรารับประทานอาหารแค่ครึ่งชั่วโมงก็พอละเลยครึ่งชั่วโมงเราก็มานั่งสมาธิของกันก็ได้ คือพยายามหาเวลาที่ว่างที่ไม่ต้องทําอะไรนี้มาให้กับการนั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆหรือเวลาที่กําลังทําอะไรก็พยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆเวลาทํางานก็อยู่กับงานอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าจําไม่คิดจําเป็นจะต้องคิดกับเรื่องงานก็คิดไปได้เพราะมันยังจําเป็นต้องคิดอยู่ เช่นถ้าเราทำบัญชีเราก็ต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องบัญชีบวกลบคูณหารรายรับรายจ่ายอะไรแล้วก็คิดไปแต่ใจเราจะไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้อย่างนี้ก็ยังมีสติแสดงว่าเรายังมีสติอยู่เพียงแต่ว่ามีสติอยู่เพียงครึ่งเดียวคือสติที่จดจ่ออยู่ในปัจจุบันแต่ยังไม่หยุดความคิดถ้าเราถ้าอยากจะให้ได้สติเต็มร้อยนี่เราต้องหยุดความคิดด้วย แล้วก็ให้จิตอยู่กับในปัจจุบันไม่ให้ลอยไปกับอดีตไม่ให้ไปอนาคตให้อยู่กับร่างกายก็ดีหรือให้อยู่กับการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปก็ดี mm hmm. ให้อยู่กับงานอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะทำงานหรือไม่ทำงานก็ตาม mm hmm. ถ้าวันไหนเราว่างจากภารกิจการงานเราก็ลองเอาวันวันนั้นทั้งวันมาให้กับการปฏิบัติดูปฏิบัติสตินั่งสมาธิสลับกันไป mm hmm. ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็เจริญสติไปคอยเคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่หรือบริกรรมพุทโธไปกับการกระทำของร่างกายก็ได้พอาทาภารกิจอะไรต่างๆเสร็จแล้วรับประทานอาหารเสร็จแล้วไม่มีงานอะไรต้องทำแล้วก็มานั่งสมาธินั่งสมาธิไปจนกว่าจิตจะนิ่งจะสงบ ท่านนั่งไปแล้วยังไม่นิ่งยังไม่สงบแล้วเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาถ้ายัางทนนั่งต่อไปไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็มาเดินจงกลมแทนการเดินจงกลมก็เป็นการนั่งสมาธิอีกแบบหนึ่งเพียง mm hmm. แต่ว่าแทนที่จะนั่งก็เป็นการเดินแต่การดูดูกรรมฐานก็ให้เปลี่ยนจากการถ้าเราดูลมหายใจก็ให้เปลี่ยนมาดูที่เท้าดูการเคลื่อนไหวของเท้าไป ซ้ายขวาซ้ายขวาไป <S <S หรือถ้าเราใช้คำบริกรรมพุทโธเราก็ใช้คำบริกรรมพุทโธในระหว่างที่เราเดินไปเดินมา <S <S พเพื่อคอยควบคุมความคิด <S <S ความคิดนี้เป็นตัวอันตรายต่อจิตใจเป็นตัวที่จะขัดขวางการทำใจของเราให้สงบเราต้องพยายามหยุดคิดให้ได้หรือคิดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะจาเป็นจะต้องคิดแม้แต่คิดทางปัญญาตอนนี้ก็ยังไม่จาเป็นต้องคิดเพราะว่ายังเป็นอีกขั้นหนึ่ง เราจะคิดทางปัญญาได้นี้ต้องรอให้เรามีกําลังของสมาธิก่อนแล้วเราถึงจะสามารถที่จะไปคิดถึงเรื่องต่างๆทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพตอนนี้ถ้าไปคิดทางปัญญาก็คิดแล้วก็จะล้มเหลวคิดแล้วก็จะทําอะไรไม่ได้ดีไม่ดีคิดไปแล้วก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ถ้าไปคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตายขึ้นมาตอนที่เรายังไม่มีสมาธินี้ใจเราจะเกิดความ เศร้าขึ้นมาได้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความระหดหดถูกใจขึ้นมาได้ยังยังไม่ใช่เวลาสำหรับการคิดทางปัญญาถ้าเรายังอยู่ในขั้นของการฝึกสติอยู่เราต้องพยายามหยุดความคิดไม่ว่าจะเป็นทางคิดทางทางกิเลธ ท, ทางโลภโกรดหนองก็ดีการคิดทางปัญญาก็ดีตอนนี้ยังไม่ใช่เป็นเวลาที่จะคิดนะ ตอนนี้เป็นเวลาที่จะหยุดคิดพยายามฝึกสติเพื่อให้หยุดคิดให้ได้ควบคุมความคิดให้ได้หยุดความคิดให้ได้ก่อนพอหยุดความคิดได้แล้วนั่งสมาธิแล้วจิตรวมเป็นสมาธิแล้วสักตวัรู้มีความสุขมีอุเบกขาแล้วก็พยายามฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนให้จนให้มันชำนาญให้เราสามารถเข้าออกสมาธิได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว นั่งห้านาทีจิตก็รวมสงบเป็นสมาธิได้แล้วก็สงบได้นานเป็นสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีฝึกสมาธิฝึกสติไปขั้นแรกก่อนให้มันชำนานก่อนเหมือนกับการขับรถยนต์เวลารหัสขับรถใหม่ๆเรายังไม่กล้าขับออกไปตามถนนใหญ่เราก็ขับไปตามถนนที่อยู่ในตอกซอกซอยที่มีที่ไม่มีรถมากหรือไปหัดขับที่ถนนถนนที่เขาจัดไว้ให้คนหัดขับรถขับกัน ให้เราชำนาญการการขับรถก่อนให้เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้หยุดรถได้ทำอะไรได้อย่างอย่างอย่างชำนาญหลังจากนั้นเราถึงค่อยออกไปทางถนนใหญ่ได้ที่มีรถเคลื่อนไหวเยอะๆได้นะันใดก็เหมือนกันเบื้องต้นนี้เราต้องฝึกหยุดความคิดให้ได้ควบคุมความคิดให้ได้ก่อนเมื่อเราสามารถควบคุมความคิดแล้วทาใจให้สงบให้เย็นให้สบายจากการหยุดความคิดได้แล้ว หลังจากนั้นเราถึงค่อยออกไปทางปัญญาไปคิดในเรื่องที่จะทําให้ใจเรานี้เกิดอาการหดหู่ได้ใช่คิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตายคิดถึงการสูญเสียคิดถึงการพลาดพลาดจากกันว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นถ้าใจเรามีสมาธิแล้วนี่เวลาออกจากสมาธิมาไปคิดเรื่องราวเหล่านี้ใจจะใจของเราจะรู้สึกเฉย จะไม่รู้สึกวุ่นวาใจไม่รู้สึกเศร้าโศกหงอยเงาไม่รู้สึกหดหู่ใจทำไมเราจะต้องคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้เพราะว่าถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องราวเหล่านี้เราจะหลงเราจะลืมไปว่าเราจะต้องแก่เราจะต้องเจ็บเราจะต้องตายเราจะต้องพลาดพลาดจากกันพอเราหลงเราลืมแล้วเวลาเราเจอความแก่ความเจ็บความตายเจอการพลาดพาดจากกันเราจะทําใจไม่ได้เราจะเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาทันที แต่ถ้าเราหมั่นพิจารณาคิดอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายของเรานี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะต้องมีการทักท่าจากกันเป็นธรรมดาเราก็จะเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ไว้พอเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาใจของเราก็จะไม่เศร้าใจของเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเรารู้ว่าเราทําอะไรไม่ได้มันเป็นเรื่องปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือร่างกายนี้มันเป็นการปรากฏการณ์ทางธรรมชาติขึ้นมา มันเกิดแล้วมันก็ต้องแก่มันต้องเจ็บต้องตายเหมือนกับเมฆเมฆมันตอนต้นมันก็ไม่มีแล้วต่อไปมันก็มีการรวมตัวจากไอ้น้ําที่ระเหยขึ้นไปบุนท้องฟ้ารวมตัวกันเป็นเมฆก้อนเมฆขึ้นมนาะแล้วต่อมาก้อนเมฆนั้นก็ตกลงมากลายเป็นน้ําฝนลงมาแล้วใ น, นที่สุดก้อนเมฆนั้นก็หายไปร่างกายของพวกเราทุกคนก็เป็นเหมือนก้อนเมฆ ตอนนี้มันมารวมตัวกันมีอาการเป็นอาการสาสิบสองเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นต่างๆแล้วต่อไปในวัยข้างหน้ามันก็จะต้องมันก็จะต้องเสื่อมหายไปหมดไปเพราะมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่มีใครสามารถที่จะควบคุมบังคับไปสั่งหรือไปห้ามมันได้แต่ใจที่ฉลาดใจที่มาครอบครองนั่งกายก็จะเรียว่าใจไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นเพียงเป็นเหมือนก้อนเมฆก้อนอย่าง ที่ใจได้มาครอบครองไว้ชั่วขา่าวแล้ววันหนึ่งก้อเมฆนั้นก็จะต้องจากใจไปใจก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็จะไม่เกิดขึ้นมาเพราะใจได้เรียนรู้ด้วยปัญญาจากพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้รู้ว่าปรากฏการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราก็ดีร่างกายของใครก็ดีล้วนเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเท่านั้นเอง ที่ต้องมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาเมื่อใจรู้ความจริงอันนี้แล้วใจก็ยอมรับความจริงได้พอยอมรับความจริงใจก็จะไม่ทุกข์กับการสูญเสียจากการเสื่อมสลายของของปรากฏการทางธรรมชาติพารู้เห็นด้วยปัญญาแล้วว่าสิ่งใดในการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม จะเป็นร่างกายของมนุษย์ก็ดีร่างกายของสัตว์เดรัจฉานก็ดีจะเป็นต้นไม้ก็ดีเป็นบ้านเรือนก็ดีอะไรทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดมาแล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะต้องดับไปอย่างแน่นอนใจที่มีปัญญาก็จะไม่ทุกข์แต่ที่ถ้ามีปัญญาแล้วยังทุกข์อยู่ก็แสดงว่ายังไม่มีสมาธิยังไม่มีอุเบกขาพอก็ต้องกลับมาเจริญสติสมาธิทำให้ใจสงบให้เป็นอุเบกขา แล้วค่อยๆกลับไปพิจารณาทางปัญญาใหม่ถ้ามีอุเบกขาแล้วใจจะไม่ทุกข์ใจจะยอมรับความจริงได้นี่แหละคือวิธีการของการดับความทุกข์ของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรตวได้ทรงค้นพบแล้วก็นําเอามาเผยแพร่สั่งสอนให้กับสัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายถ้าพวกเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์จากเรื่องราวต่างๆนี้เราก็ต้องมาศึกษาคําสอน มาศึกษาวิธีปฏิบัติปฏิบัติตคือทําใจให้สงบให้เป็นสมาธิก่อนเจริญสติคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดนั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้เป็นอุเบกขาพอได้แล้วก็ออกมาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามามาสัมผัสรับรู้ว่าเป็นเหมือนก้อนเมฆเป็นเหมือนสภาวะธรรมทางธรรมชาติที่มีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาร่างกายของวเราทุกคนเนี่ยวันข้างหน้าก็จะต้อง กายเป็นอย่างอื่นไปกลับกลายเป็นดินน้ําลมไฟไปตอนนี้เป็นก้อนหนึ่งเป็นก้อนธาตุเป็นก้อนร่างกายเป็นก้อนอาการ32แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนไปกลับกลายเป็นดินน้ําลมไฟต่อไปให้พิจารณาอย่างนี้แล้วก็ทําใจให้ปล่อยวางให้ได้ถ้าปล่อยวางได้แล้วต่อไปเราจะไม่มีความทุกข์กับร่างกายแต่แต่อย่างใดเลยร่างกายจะแก่ก็เฉยเจ็บไข้ได้ป่วยก็เฉยจะตายก็เฉย เพ้าใจเราเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเท่านั้นเองนี่แหละสิ่งที่เราจะต้องมาทํากันตามคำตามหน้าที่ของชาวพุทธก็ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้เรียนรู้แล้วเราก็นําเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเราก็จะได้บรรลุผลโดยทําใจของเราให้ไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เรามาสัมผัสรับรู้ที่เรามาครอบครองเป็นสมบัติของเรา เรารู้ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็นสมบัติชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องจากเราไปถ้าเราสามารถศึกษาและปฏิบัติได้การหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็จะปรากฏตามมาตามลำดับต่อไปแล้วเราก็จะสามารถเอาความรู้นี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ได้อีกต่อไปก็จะช่วยยืดอายุของพระพุทธศาสนาให้อยู่ยาวต่อไปอีกชั่วคนหนึ่ง เราไปทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าแทนพระสาวกทั้งหลายแล้วต่อไปก็จะมีผู้ที่จะมาทําหน้าที่แทนเราต่อไปเรื่อยๆถ้ามีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมมีการเผยแผ่ธรรมพระพุทธศาสนาก็จะอยู่กับโลกนี้ไปนา น, าน <S <S 1> <S 1> ๆการทําหน้าที่ของเราจึงมีประโยชน์สองระดับด้วยกันระดับแรกก็คือระดับได้รับประโยชน์ให้กับตัวเราเองทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ อนดับที่สองก็คือช่วยให้ผู้อนเขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ช่วยให้พระพุทธศาสนาอยู่ยั่งยืนต่อไปเพื่อเป็นที่พึ่งของสารโลกที่ยังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์จะได้หลุดพ้นต่อไปนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยาถาวาริวหาตูราปริปูเรนติสากลังเอวเมวะอิโตจินังเตตานังอุปกปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสมิมจโตสะเพปูเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขิติขายุโกภวะอภิวาทนุสีบิดสะนิจจังวุธาปจายโน จะตาโรธรรมวทานตีอายุวันโอสุขังภาลาน้าช่วงตอบไปนี้ก็ช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมานากุตจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ516ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์368 YouTube ดกร59วิทยุออนไลน์8 c l u b h o u s ์5นากุฏ168รวมทั้งหมด 1,124 ท่านค่ ะ, ะมียอ ม, มอยากจะถามถามหรอือเดี๋ยวเอาไมค์ก็ฟนไปก่อนนี แล้วพูดทางไมโครโฟนพูดใกล้ๆเสียงดังๆพูดได้เลยเอาหยิบหยิบขึ้นมาปากไว้ที่จอดที่ปากเลยที่ปากอ่ะพูดเลยพูดเลยถธอแล้วพูดเลยเ อ, อ, อยาการราชการไม่ต้องโผล่ ก, ก็ไม่ต้องมองันก็ไม่ให้บีบไม่ให้จับการราชการจะถาม ใ, ใกล้ๆหน่อยครับาการราชการอาจารย์สุชาติจะถามเรื่องอ่า พอมีอวิชชาจึงมีสังขารคําว่าสังขารหมายถึงอะไรครับความคิดปรุงแต่งที่ไปทางกิเลสไงกิเลสสั่งให้คิดอวิชชาคือกิเลสกิเลสเป็นผู้กํากับความคิดให้คิดไปทางรู ป, ร, ป, ร, ปรูปเสียงจิดด่นรสให้ไปหารูปเสียงจิ่นรสก็เลยต้องไปทางวิญญาณวิญญาณก็มาทางตาหูจมูกลิ้งกายพอมีตาหูจมูกลิ้งกายก็สัมผัสกับรูปเสียงจิดด่นรสก็เกิดเละเทะความรู้สึกสุขทุกข์ แล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาเกิดตังหาแล้วก็เกิดอุปทานเกิดภาวะตามมาเกินการเกิดเจ็บเจ็บตายตามมาครับทีนี้สังขารที่ว่าเนี่ยพขมีสังขารจึงมีวิญญาเขามีวิญญาจึงมีนามรูปแล้วนามรูปหมายถึงอะไรครับวิญญาณะมีมันมันวิญญาณน่ากับสังขารแต่สังขารเป็นตัวสั่งให้วิญญาณไปหารูปเสียงจิ่นรดไปหาที่ตาหูจมูกนี้วกัย วิญญาณเป็นตัวเชื่อมจิตกับตาหูจมูกนิ้วกายและสังขารกับนารูปนี้เหมือนกันนหครับไม่เหมือนนามํารูปก็คือร่างกายกับใจไงเวลามีการเชื่อมต่อของสัญญาของวิญญาก็เกิดมีร่างกายกับใจทำงานเป็นเป็นฝาแฝด น, นามกระรูปนี้ก็คือฝาแฝด น, นามก็คือใจรูปก็คือร่างกายทำงานร่วมกันเพื่อไปเสพรูปเสียงกลิ่นร แสดงว่าสังขารกับนามรูปไม่เหมือนกันไม่สังขารคือความคิดเปลี่แต่งเป็นนามขันควาอมีสังขารสังขารก็สั่งให้วิญญาณไปเกาะที่ตาหูจมูกนิ้นกายของร่างกายก็เลยมีนามกับรูปขึ้นมาทีนี้ผมอยากจะทราบว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่ชั้นเทวดาชั้นดุสิตมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยท่านนําสิ่งใดมาเกิด ในประคารของพระนังพิมพาครับบารมีสิบประการที่ท่านเคยสะสมไว้มันก็ติดมากับใจท่านทานบารมีศีลบารมีเมตตาบารมีเป็นต้นเออทีนี้พระพุทธเจ้าดับขันปร น, นิพันธ์สิ่งใดในตัวพระเจ้าที่เข้านิพพานครับก็ใจเนี่ยใจที่เป็นนิพพานไปทําวำนิพพานก็คือชิดใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสปัญหาเออใจที่เป็นนามรูปนีเออ้เกิดทีหลังใช่ไหมครับ คือใจมันเกิด อ, อยู่ตลอดเวลาพอมันม า, ม า, ม, ามาติดกับร่างกายก็มีนามรูปขึ้นมารูปกับนามขึ้นมาคําว่าใจกับจิตวิญญาณนี่เหมือนกันไหมครับถ้าถ้าเป็นดวงวิญญาณก็อันเดียวกันแต่ถ้าวิญญาณในขันห้าในขันสี่นามขันนี้ก็ไม่คนละตัวกันอ๋อแสดงว่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับตอนนี่ผมทราบว่าหลวงปู่มั่นบอกว่าพุโทโธถามว่าพุโทโธเป็นยังไงพุโทโธก็คือผู้รู้หนึ่งแหะ ผู้สองก็คือผู้ตื่นสามคือผู้บกบาลแสดงว่าในพุทธโธนี่มีสามวิญญาณถูกไหมครับที่ผมก็จาใอันนี้มันเป็นคุณสมบัติของผู้ที่ตัดสรุวธรรมเป็นพระพุทธเจ้าขาึ้นมาใจจะตื่นใจจะเบิกบานใจจะบริสุททีนี้ถ้าไปนิพพานเนี่ยในทางปฏิบัติพุทธเจ้าบอกว่ามรตมีองค์แปดเป็นเอขกขะมรก็คือทำเกี่ยวกับวิ ป, ปัสสนายอย่างเดียว ดังนั้นชาญสมถะภาวนาก็ไม่เกี่ยวสิครับเกี่ยวมากคแบบ ม, มีทั้งชาญมีทั้งวิปัสสนาเออไม่มีคมําว่าสมาชาญ น, นะครับสมาสมาที่ไงสมาสมาธิ่นี่มันคําว่าสมาธิที่ผมทราบมานะฮะถ้าหาว่าชาวบ้านญาตโยมทํางานเนี่ยพอทํางานก่อนถึงจะเกิดสมาธิในการทํางานหนึ่งะทีนี้พอเข้าชาญเนี่ยพอทำทำชาญ เออเมื่อจะเกิดสมาธิในฌานต้องคือทำทำสมาธาาก่อถึงจะเข้ากิดสมถะคํ า, าว่าสมาธิก็คือฌานขั้นต่างต่าง<ช>แต่ฌานขั้นที่หนึ่งก็เรียกว่าสมาธิแล้วพอเข้าฌานขั้นที่หนึ่งก็แสดงว่าจิตเข้าสมาธิแล้วครับทีนี้ผมที่ผมเข้าใจนะฮะอันที่สามสมาธิอันที่สามก็คือว่าถ้าเราเข้าไปสู่วิปัสสนาแล้วเนี่ย สัมมาสมาธิมันเป็นข้อที่แปดข้อสุดท้ายเลยสมาธินี่มันก็คล้ายๆสมาธิในการทํางานคือเราต้องทํางานก่อนถึงจะเกิดสัมมาสมาธิถึงจะเกิดสมาธิในการทํางานก็ทําให้งานที่ทำนั้นมีคุณภาพดีถ้าเราทําวิปัสสนาเราก็จะต้องทําวิปัสสนาก่อนคือเข้าไปดูสภาวะใช่ไหมฮะแล้วก็สมาสัมมาสมาธิอันเป็นข้อสุดท้ายจึงเกิดตามมาไม่ในหลังมผมเข้าใจถูกไหมครับไม่ถูกไม่ถูก การปฏิบัตินี้เราปฏิบัติจากศีลขึ้นไปหาสมาธิแล้วไปหาปัญญาเออมันคำว่าศีลเนี่ยมันเป็นศีลที่รวมในมักข้อที่สมากรรมตัวสมาปัญาสมาธิโรงานกุศลแล้วก็ไปสู่การปฏิบัติสติสมาธิ ถ้าถึงค่อยไปทางปัญญาสมาธิสัมมาสังโปรีที่ศีลนี่หมายความว่าเป็นปกติชีวิตที่เราดําเนินอยู่ตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งเราทำมาทุกวันใช่ไหมไม่ทําบาปการไม่ทําบาปถึงได้เป็นศีลก็เป็นปกติที่คุณทุกคนญาติโยมได้ทําแล้ไม่ปกติบางคนกินเหล้าอันนี้ก็ไม่มีศีลนะอันนี้ผมพูดถึงศีลที่ก็คือต้องเข้าใจว่าศีลก็คือไม่การไม่ทําบาปไม่ใช่การปกติของคนคนบางคนก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ถือว่าเป็นปกติของ มันไม่ใช่ศีลนะก็เป็นฝ่ายอกุศลนะฮะมันเป็นบาปไงับก็มีมอันนี้หมายถึงฝ่ายกุศลซึ่ ง, งมันจะกุศลเรื่องอะไรก็งั่นแหละมันอยู่คาว่าบาปจะทําทบาปให้รักษาศีลไว้เพื่อป้องกันไม่ให้การกระทาบาปก่อขึ้นครับทีนี้สัมมามวายาโมนี่หมายถึงอะไรครับควางเพียงไงความขยันหมันเพียรที่จะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอที่ผมทราบมามันเป็น พึงละกุศลทั้งปวงอันที่สองคือทํากุศลให้ถึงพร้อมอันที่สามคือทําจิตให้ข่าวรอบถ้าทําจิตขาวรอบได้ก็คงเขานผ่านได้ทีนี้จะทํำยังไงที่ผมเข้าใจเนี่ยก็คือทาสัมมาสติก็มรรคแป้นี่แหละคือการละการกระทํำบาปทั้งปวงการสร้างกุศลทั้งหลายถึงพร้อมการทําชำรจิตใจให้าด บ, บริสุทธิ์นั่นก็อยู่ในมรรคแป้นนั่นแหละทีนี้มันพอพอเราทำําสำสัมมาสติมาถึงสติระลึกรู้ ใช่ไเวลาจะเข้านิพพานเนี่ยเวลาปฏิบัติเนี่ยที่ที่จะเข้าแนวปฏิบัตินะฮะที่ผมปฏิบัติมาเนี่ยผมจะเริ่ม ท, ทําทีนี้ในสมาสติเนี่ยคือสติหรือรู้เอารู้เนี่ยไปจับสภาวะของอสติปัฏฐานสี่คือกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมรวมแล้วมันก็เป็นสภาวะ สตอสภาวะในในพระไตรปิฎกบอกว่านำสภากําหนดรู้รูปนามก็คือกําหนดรู้อ่สภาวะนั่นเองแล้วก็ไปเห็นสภาวะที่เห็นนะในพระไตรปิฎกที่ผมดูนะเป็นไปไ ป, ไปเข้าไปรู้ในสภาวะที่เห็นเห็นยังไงก็ต้องหลับตาเห็นเพราะว่าถ้าลืมตาเห็นเลยไปเห็นทั้งโลกพอทําไปแล้วมันจะเกิดสัมมาสมาธิตามมาเดีย๋ยนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับไม่ถูกอ่ะสัมมาสมาธิเกิดจากสัมมาสติ ใช่ฮะผมทําสมาสติก่อน<ไ>แล้วสมาสมาธิจึงเกิดตาม<ไ>หลังอย่างหลว ง, ง, งตามหาบัวเนี่ยท่านท่านไปทำทำสมาธิของฌานหลวงปู่ม่านก็ต้องกลับมาบอกท่านถึงได้เข้าวิปัสสนาแล้วเข้าเป็นพระอรหันได้ในนี้ผมน่าจะเดินเส้นทางนี้ได้ในการแนวปฏิบัติที่ถูกต้องผมว่าน่าจะเป็นมรรคแปดเท่านั้นแหละเพราะมันไม่มีสมาฌานสมถะอะไรเลยก็แล้วแต่โยม่ะโยมจะทําอะไรก็ทํำไป ผมผมก็เข้าใจตามมัคปลาเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกเอกะฆมคือเส้นทางที่เข้าสู่นิพพานได้ทีทางเดียวเท่านั้นถูกไม้มฮะพระพุทธเจ้าพูดยังไงก็ต้องถูกเพื่อนถ้าคุณนั่งพระพุทธเจ้าเราจะไปปฏิเสธพระพุทธเจ้าได้ยังไงครับทีนี้ในการปฏิบัติเนี่ยมันเริ่มต้นปฏิบัติในที่ผมปฏิบัติมาเนี่ยผมเข้าสู่สภาวะโดยโดยโดยสภาวะ อ, อิริยาบถนอนอย่างเดียวเลยไม่นั่ง จะจะนอนแล้วก็เข้าหลับตาแล้วก็ดูหัวใจเต้นสภาวะในกายไงคือการในกายจะดูหัวใจเต้นแล้วมันจะมีอะไรมาเยอะแยะในกายแล้วมันจะข้ามมิติไปสู่มิติที่สองมันก็เคยเป็นสภาวะที่ไม่ทราบว่ามันเรียกว่าอะไรมันไม่มีในโลกนี้แล้วก็เข้าไปสู่มิติที่3เราจะไม่รู้เรื่องเลยเลยแต่หลังจากนั้นแล้วเราจะรู้สึกเบื่อหน่ายมากเบื่อหน่ายตัวเองมองโลกก็เบื่อหน่ายโลกมองไปบนนกฟ้าก็เบื่อหน่ายจักรวาลไปทั้งหมดเลยคือมันเบื่อไปทั้งหมดเลย ไม่นานก็แผ่นดินไหวที่บ้านผมอะมันมันก็มันก็นกลายเแผ่นดินไหวภรรยาผมก็มาด้วยเขาก็าเป็นคนปลูกผมแล้วก็หลังจากนั้นอีกสี่วันมันก็จะจางคลายแล้วก็้าพที่ผมเห็ น, าานแพทย์จันน<อ>่ะไม่จะดับเลยนะข อ, ขอคําถามอันนี้แค่พอก่อนนะขอคําถามของคนอื่นต่ออ๋อผมได้ครับนะีโอเคยอมปฏิบัติไปก็แล้วกันขอให้มนหลุดพ้นไม่มีความทุกข์ก็ใช้ได้ก็แล้วกัน คือคือคือมันมันจะหมดทุกได้ด้วยด้วยการปฏิบัตินะด้วยการปฏิบัติของโยเมเลยคือถ้าผมเล่าไปเสร็จแล้วผมจะมีคำถามไม่ต้องถามไม่ต้องเล่าครับงั้นก็ขอขลับมาวัชการคำถามคือคำถามจากทาง Facebook ค่ะการมีสติและสมาธิสำหรับการทำงานทางโลกและการฝึกสติและสมาธิในทางธรรม เพื่อเจริญปัญญามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรไหมครับเช่นการต้องนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมขโทษค่ะการมีสติและสมาธิสำหรับการทำงานทั้งโลกและการมีฝึกสติสมาธิในทางธรรมเพื่อเจริญปัญญามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับเช่นการนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมเท่านั้นไหมครับเือการทางธรรมเราก็ต้อง ไม่ให้มีความคิดตรงแต่งเกิดขึ้นทางโลกนี้ทำงานต้องใช้ความคิดก็ต่างกันตรงนี้ตรงที่มีความคิดกับไม่มีความคิดแต่สติก็อยู่กับงานอย่างต่อเ น, นื่องไม่ไปคิดไม่ไปที่อื่นไม่ไปคิดเรื่องอถ้าทางธรรมก็คือไม่ให้คิดอะไรเลยทางโลกก็คิดเกี่ยวกับงานที่เรากาลังทาอยู่เ้่อกํากำลังทำบัญชีอย่างนี้ เราก็ตงคิดถึงงานที่เรากำลังทําอยู่อันนี้รายได้เท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่บวกลบคุณหารแล้วเหลือเท่าไหร่อันนี้ก็คือความคิ ด, คดแต่คิดแต่คิดแต่เรื่องงานอย่างเดียวไม่ไปคิดถึงเรื่องเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเที่ยวที่ไหนดีไปหาใครไปพบกับใครที่นั่นที่นี่อันนี้จะไม่ไม่คิดเวลาทํางานจะไม่คิดเรื่องอื่นนอกจากเรื่องของงาน นี่คือสติทางโลกสติทางธรรมนี้ไม่คิดเลยไม่คิดถึงใครเลยไม่คิดถึงพรุ่งนี้ไม่คิดถึงเมื่อเลยนี้หรือเมื่อวานนี้ให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวแล้วอยู่กับร่างกายเทียงอย่างเดียวคำถามจากทางยูทูบค่ะพระอาจารย์ กราสอบถามพระอาจารย์ครับการฝึกปล่อยวางจิตโดยสอนจิตว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ก็ไม่ใช่เราเพื่อไม่ให้ยึดว่ามีตัวตนมีเราในขันท่าผมปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องไหมครับพูดได้แต่มันจะเชื่อหรือเปล่าทั้งนี้ก่อนนี้มันจะเชื่อได้ต้องหาหาหลักฐามนมายืนยันว่าไม่ใช่ตัวเราเจริงๆถ้ายังไม่มีหลักฐามนมายืนยันมันก็ไม่เชื่อหรอก เหมือนกับคนเข้าทองคำมาบอกว่านี่คือทองแท้อย่างเงี้ยเราจะไปเชื่อเขาหรือเปล่าเชื่อแต่เราไม่รู้ว่าแทหรือเปล่าเราก็ต้องไปพิสูจน์ดูเอาทองนี้ไปให้ร้านทองที่เขาพิสูจน์ได้ว่เาเชื่อพิสูจน์ให้ดูหน่อยว่าทองนี้แท้หรือเปล่าถ้าก็รับประกันว่าทองแท้เราก็เชื่อได้แต่ถ้าอยู่ดีๆคนเอาทองมาบอกว่านี่คือทองแท้เนี่ยเราจะเชื่อเขาดีหรือไม่ดีถ้าเชื่อบางทีก็ถูกเขาหลอกได้ใช่ไห เพราะข้าวยาวทองเก้ ม, มาหล อ, หลอกเราแล้วฉะนั้นเราต้องห า, ห, าหลักฐานมายืนยันด้วยไม่ใช่เชื่อเฉยเชยเ ช, ชื่ออย่างเดียวมันยังไม่มีน้ำหนักพอมันยังปล่อยวางไม่ได้คาถามจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะเมื่อเช้ากระผมนั่งสมาธิได้เห็นมายาของจิตที่ทำให้ผมติดอยู่ในห้องอารมณ์มีหลากหลายรูปแบบแต่กระผมอยู่กับความรู้สึกตัว ผ่านไปสักพักผมได้เห็นพระพกของพระพุท ธ, ธเจ้ายามพระสวนถึงสองครั้งรู้สึกขดลุกสู้แต่ อ, อ<ข>ก็แล้วแต่ปฏิบัติมันก็มีอะไรปรากฏให้เรารู้ให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าเป็นใจ ล, ลักไปเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับอ น, นัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ไปสั่งให้มันมาไม่ได้สั่งให้มันไปไม่ได้ เพ้นปล่อยมันมันจะมาก็รู้ว่ามันมามันจะไปก็รู้ว่ามันไปแล้วก็จบไม่ต้องไปกังวลกับมันไม่ต้องไปทุกข์กับมันไม่ต้องไปดีใจเสียใจกับมันคําถามจากทางยูทูบค่ะตอนพระอาจารย์บวชมีวิธีตัดความห่วงใยพ่อแม่อย่างไงบ้างครับก็คิว่าต้องตายจากกันเนมะื่อเราทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีการพลัดพากจากการในธรรมดา ถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติ youtube พระอาจารย์สุชาติค่ ะ, ะ, ะ, าาคะเวลาไปวัดจะเจอตู้รับบริจาคที่เขียนว่าชำระน้สงไม่เข้าใจว่านิสงคืออะไรมีอะไรบ้างเราไปค่ะสงเปน็นนี่การไฟฟ้าข้ค่าไฟฟ้าการน้ำประปาเนี่ยก็ต้องจ่ายนิสง อีกคำถามนึงจากท่านเดิมค่ะหากเราอุทิตบุญให้ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วแต่เขาไม่ได้อยู่ในภพภูมิที่จะรับบุญได้บุญนั้นจะไปอยู่ที่ไหนคะและบุญนั้นจะไปรออยู่สัก์ที่หนึ่งจนกว่าเขาจะไปอยู่ในภพภูมิที่เขารับได้หรือเปล่าคะไม่หรักมันก็กลับมาหาเราท่านเลยเหมือนส่งของไปทางใบเสน่พอไม่มีผู้รับขาก็ส่งกลับมาผู้ส่งค่ะ หมดแล้วเหรอค่ะยังไม่มีคำถามาค่ะหมดแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิพพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่ ง, งขึ้นไปเถิ